เก็บเป็นได้เป็ดออกมาสบายมากๆเลยใครๆเป็นบ้างในที่นี้ฮะใครอืมโดยายโครามิใครสนใจศา คนเล่นแท็กเกอร์บ่อยๆเนี่ยหน้าตาจะหนุ่มแต่ไม่มีไม้หน้าจูไม่ เต๋งเป็นศิลปะศาสตร์ชั้นสูงครับคนจีนบัญญัติขึ้นว่าบุคคลที่เรียกผู้รู้นั้นรู้อะไรบ้างว่ารูปว่ารูป ตึงเกียร์นักปราดถ้ามีโอกาสก็ไปเรียนซิ 1 เป็นสิ่งที่สําคัญนะผมจะบอกเมื่อรู้จักทายแก๊กเคลื่อนไหวแล้วไอ้ ซึ่งจุดหมายมันไปสู่เรื่องพลานามัยโดยตรงแต่นี้ 3 วันเก็บ 3,000 บาท 1 คนนี่หลาย พูดธรรมะนี่ครับคนจัดรายเป็นอย่างนี้ครับนะครับทุกคนต้องไปลง 3,000 นี่ 4,000 ฟังเลคเชอร์ 1,000 บาทฟัง วิถีทอดๆๆแต่ไม่ช้าไม่นานหรอกครับ ภาษาของเราเนี่ยครับต้องไปเรียนของจากฝรั่งโลกมันเป็นอย่างเงี้ยอีกหน่อยฝรั่งมาสอนเดี๋ยวนี้ๆเนี่ยผมไม่ได้บอกเค้าไม่รู้นะ<ใช> ถ้าๆนี่มันไม่มีความจําเป็นนะครับที่ต้องไปเรียนเรียนจากตัวมา 2 ปีจากลอนดอนเจอผมผมถามสติดูเดียวยังยัง พวกเราต้องเรียนกันที่ตัวจริงมันเลยง่ายแต่ว่าไม่ได้ปริญญานะไม่มีใครให้ปริญญาไม่มีใครให้ พวกเปกๆๆหนึ่งเทพยิ่งเรียนมากยิ่งมีความหมายมากนะครับเพราะว่ามันเรียนเรื่องนอกตัวทั้งๆในเพื่อนมนุษย์นั้นแหละทะสีทะสายามียัน กดด่ากันบ้างแต่พวกด็อกเตอร์นี่หลายหลายกว่าผมผมไม่ได้พูดให้เกรดพวกนั้นนะครับเตือนว่าพวกที่แม้เราไม่น่า มนุษย์เป็นอย่างนี้ครับคือมันมันเมาอะไรก็ไม่รู้ครับเคย สูบบุหรี่มากเป็นไงหลังจากไอ้นี่สุดมันนอนโรงพยาบาลบอกบุหรี่นี่ไม่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บางที่ดีที่สุดมันก็คือเราเป็นผู้ๆเรียบๆซึ่งจะทําด้วยการใช้จ่าย อันตรายมากแล้วก็อยู่มาอย่างนี้ครับก็กินข้าวครับถึงเวลาก็นอนอยู่ได้ไงผมตอบไม่ได้ก็อยู่มันๆไม่ต้องทําการ แต่ผมก็อยู่ได้สบายรู้สึกว่ามีความสุข คือมันมีเฉยๆล่ะครับตามไม่สําคัญอะไรครับหรือเป็นขอทาน ก็คือว่าขอทานเป็นคนที่ยากไร้แล้วก็ขอกินนะถ้าเราก็คิด 2 เดือน เพราะอะไรรู้ครับทั้งๆมีอาหารมีเสื้อผ้าให้มีที่พักพวกขอ <c oughs> มีหาซื้อผ้ายารักษาโรคทุกอย่างที่ที่รัก มันไม่จะๆเยอะไม่ใช่ก็คือคือ จาเลยด้วยจิตใจเนี่ยก็จะมีสิ่งหนึ่งเอ๊ะเราทําถูกป่ะถูกมากหรือถูกน้อย สงสัยว่าเอตัวเราเนี่ยเคยมีอยู่มั้ยเนี่ยดีแล้วเนี่ยณณเดี๋ยวนี้ตัวเราคืออะไรแล้วก็ในวันหน้าเราจะเป็นยังไงหนอเช่นกับโลเจ้าเรือนเจ้าเรือน จะได้บุญมั้ยน้อแม้ๆหรือเปล่านะแล้วถ้าได้ได้ ก็มาสงสัยการกระทำตัวเราเนี่ยเองเราทำถูกมั้ย แล้วไม่ต่อตรงนั้นเนี่ยมันต้องถูกสงสัยสงสัยที่บุคคลกายกรรมจิตกรรมมโนกรรมตัวกิริยากระทํา บุคคลอาศัยสิ่งหรือพวกนักแกะโจรบ้างก็เลยถามว่าในขณะผมแล้วถามตรง น้องเล่นกันอีลาซีเคมดูเวลายิงปืนเนี่ยถ้าจิตใจวกวากแล้วก็มือจะสั่นครับทุก ตามสภาวะที่เป็นจริงมีสิ่งเดียวในธรรมชาติธรรมก็ ญาณที่รู้เห็นตามยถาไอ้ตามที่มันเป็นยถาคือตาม ต้องการของมนุษย์เสมอไปของมนุษย์เสมอไปเมื่อเกิดความพึงธรรมขึ้นในครับสมฤดีเด่นชัดสติดีต่อเนื่องขึ้น ไอ้แต่ตัวความอยากจะเห็นสิ่งต่างๆตามที่ที่อยากความที่ใคร่สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นใคร่สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้น create in เป็นเพศ 1 ในขณะ แต่เข้าใจจริงๆไม่เอาจริงเนี่ยเรื่องยากง่ายไม่สําคัญอะไรเลยเหมือนกับไฟไม้บ้านที่เรานอนอยู่นะครับไฟจะไหม้มากไม่น้อยเรื่องเรื่องจริงมั้ยครับมันจะลุยยากหรือ นี่คําพูดที่ว่าพระพุทธเจ้าจอดเองนะครับว่าสรรพสัตว์ที่เกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามธรรมชาติตั้งอยู่ คนที่ยังอยู่ชี้ทางให้คนหลงเปิดเผยธรรมชาติเป็นอยู่แล้วบัดนี้เราไม่ได้เห็นธรรมชาติครับแปลกนะไอ้สิ่งที่เราเห็น ต้นไม้ระบอนี้วิทณศาสตร์ไม่ได้อันนั้นรูปรูปทรงของต้นไม้แล้วมันเป็นเพียงภาพเนี่ยเป็นการราย มันลายงานเป็นคลื่นมันไม่ได้เห็นทั้งด้นเลยคือเพราะภาพ คืออย่างครับเหมือนโค้ดโทรศัพท์แล้วมีคนนึงก็แปล เราเห็นภาพของธรรมชาติเห็นภาพของธรรมชาติแต่เราไม่ได้เห็นตัวธรรมชาติเลยครับตัวธรรมชาติหมายถึงอะไรครับตัวธรรมชาติหมายถึง จะเหลือเป็นฝุ่นตนมันขันมัน เหมือนกับสมมุติมันไร้จักโลกนี้กระสารนี่อยู่ ความเหล่าๆของมนุษย์ที่ยับยั้งการเกิดแก่สังขารไม่ได้เพราะๆหมุนไปเรื่อย ก็เห็นนิดๆหน่อยๆครับช่วงในนั้นเองคนเมื่ออายุมากเข้าก็ค่อยๆเฉฉัยไป นฤทธิ์ผลผีงแผ่วเบาจากการสังเกตธรรมชาติ มันไม่มีจักรก็ไม่ผลการเกิด น้ำทองก็ได้ทองจากทองแข็งเป็นน้ำทองเทงในเบ้าทองไม่เคยเปลี่ยนเลยก็เป็นอย่างนั้นนะครับธรรมชาติชั้นที่ เกิดแก่เจ็บตายมันเป็นอย่างนี้ทุกคนต้องประเด็นอย่างนี้มีอะไรเห็นมั้ยตัวไม่ มูลหลักจ้ะครับชีวิตคนมีตาตานึง ที่เปลี่ยนอันที่เปลี่ยนมีทางล้านปีหรือเปลี่ยนสิ่งใดมี แต่เนื่องจากมันมีลักษณะเป็นปิติคือลักษณะของมันเป็นปิติและนั้นมันจึง กระจัดกฎสัจธรรมนั้นมีดุลยน์ใหญ่ในกฎของกรรมธပ်กฎของแรงดึง นี่คือตัวเรานี่ที่เราเรียกมันมั้งใครๆเห็นตัวกดตัวนี้มั่งครับอันนี้จบมันไม่มีครับจะบอกว่าไม่มีไม่ได้ โลกของสันนิฐานน่ะมันต้องมีแรงดึงชนิดนึงแต่เราไม่เคยมองเห็นตัวมันมันจริงครับงั้นเคลื่อนบ่ายกระติอย่าพลาดนะเดี๋ยวก็จะ ปฤจีณันอนุคาสันครับแล้วเดินไปนอนนุ่งลงแล้วก็นอนวิริยบทของเราเนี่ยสัมพันธ์มากกับโลกและบรรยากาศฮะถึงเต็มด้วยกฎนั้นธรรมชาติกําลังดําเนินไป เราต้องเป็นอย่างนี้มีคนที่มีสติเช่นหมายถึงแกง มันเป็นและจังสมิติที่ที่ทําให้ตัวเองนึงพัวพัน เราสติต้องส่งวิหาดุลยภาพจิตใจประสานกลมกลืนกันนะครับเมื่อจิตกับวัตถุ คือวิวสุนิตาผมผมไม่คิดว่าคําว่าจิตว่างมันเป็นสิ่งที่ดีหรอกเพราะว่าชวนเข้าสู่ผิดเหมือนที่เกิด <c oughs> มีอยู่จิตอยู่ว่างๆที่จริงเราทะเลาะกับเพื่อนอยู่เป็นหลายเวลา เพราะว่ากายจิตได้สอบสวนมาจากรูปนี้แต่ก็มีกฎธรรมชาติเพราะกฎธรรมชาติมันเป็น เหมือน